จรงหรือพระอริฐาทูนรับว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทําตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่พระผู้มีพระภาคทรงตำหนีว่าโมฆาบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วได้อย่างไรโมฆาบุรุษเรากล่าว ธรรมที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายให้แก่ผู้ส่องเสพได้จริงมิใช่หรือเรากล่าวว่ากรมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากในกรรมนี้มีโทษอย่างยิ่งเรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากในกรรมนี้มีโทษอย่างยิ่งเรากล่าวว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ เรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงย่าเรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนลุ่มฐานเพลิงเรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมาเรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาต้นเรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหันเนื้อเรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกหลาวเรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก